เอาน่ายอย่าซีเรียอเรื่องลืมบางอย่างไปสมเจตขึ้นนั่งบนรถแล้วพนมมือท่วมหัว ขอให้เทวดาปกป้องให้แคล้วคลาดจากอุบัติภัยและอันตรายทั้งปวงตลอดการเดินทางทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงพูดดังมาจากข้างหลังว่าเจ้าลืมบางอย่างไปสมเจตจำเสียงเทวดาอารักได้จริงด้วยเขารับพูดจบก็สวดอิติปิโสหนึ่งจบ เจ้าลืมบางอย่างไปเสียงเดิมดังมาอีกจริงด้วยขอรับสมเจดนึกขึ้นได้จึงสวดคาถาชินนบัญชรหนึ่งจบเจ้าลืมบางอย่างไปเสียงเดิมดังมาอีกลูกช้างลืมอะไรหรือขอรับสมเจดทำท่างงๆ เจ้าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยเทวดาตอบอย่างหนักแน่นการบนบาลสารกล่าวเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือก็ช่วยเพียงด้านกำลังใจถ้าเรากระทำสิ่งไม่ดีหรือตั้งอยู่ในความประมาทแล้วท่านยังจะสามารถช่วยปกป้องเราได้อยู่อีกหรือ